ประเรด็นสมุนไพรก็อย่างสู ง, งลูกในมือขาดเศร้าแพ้แม่งานคอหลงกอตอดต่อไหลลงไปตมองอย่างมากเป็นหน้าแปลกคือว่าวันไหนตรวจเปลี่ยนเป็นสีชมพูขึ้นมาและมักจะมีเห็ุไม่ค่อยจะดีรวความมาบอกลูกนะดีมากแต่ที่แปลกใจก็คือว่า วันหนึ่งในขณะที่ลูกกำลังลมตัวจะหลับไปนั้นมี Club, ความรู้สึกว่าไฟมาเลี้ยงบริตาลมก็มาสเข้าไปให้วัดลมไห้เตียงหมดทั้งตัวเลยทันมาดูจักรนรรดก็จะแววงจักรเพชรก็มาสดว่าั่านสว่าะสวัยเหมือนเดิมแสดงว่ามันจักรพรไปช่วยดับไฟวัดลมให้ลูกขอขอบคุณแหวนจักรพรดไปนอย่างมากขอจงทอดวงเจริญ แหวนนแหวนนี่สาหัสว่าทำไมมีแหวนช่วยสงใส่ทั้งบ้านทั้งจักทั้งเลยทั้งรัดลมมันะหมดไปเลยนะโอเคแล้วก็ไปอ่ะดีด้วยใช่แล้วก็สอบให้ทราว่าเป็นวาเหตุไรไม่ต้องหลับตาไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเข้ากรรมฐาน ลูกมักจะเห็นว่าตัวเองไปนวดแขนนวดขานวดไม่ต้องหาให้หลวงพ่อบ่อยๆทั้งๆ ท, ที่ลูกเองก็เป็นผู้หญิงไม่สบายใจเลยเลยว่จะเป็นบากเป็นตามไปละล่วงละลาดตอ่อหลวงพ่อเพราะควาเม่ตาหลวงพ่อออกสิจกรรมให้ลูกไปเจอจังไางนั่นมันเป็นนินดมนั่นเจอจังเป็นบุญ ผู้หญิงก็ท่าคนเรก็ผีจะเป็นไรบอกผู้หญิงบอไม่ได้หอผงคนก็ได้ถ้าว่้าก็อะไรสีโยมก็มีริยะมาเพีาะอะไรเลยโอ้ยตอนนี้เราไม่แผลงไฟเลยนะอะไรแบ ไปเลยเราบว่าไปในกาจึงไปใาริยานี่คนนี้ก็ใครเรืเป็นเนื้อนืหน้าทีู่่นาลาท้าวตรงข้อที่ก๊อฟจังสูงคือว่าลูกแต่งงานกับสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีลูกหึ่งคนก็ปลากมาลูกายหลังก็เขาเคยมีเมียมาแล้วเป็นวกเล็กปก่ออแล้วเวยโดยที่นี้ลูกจะทยังไงได้พลังก็เหลือไปแล้ว ที่ไม่สบายใจก้บตัวเองสิ่งพ่อาแม่ของลูกจะขาดหรือเปล่าแล้วเวลาลูกนั่งสมาี่จีนัยก็จะมีเรื่องนี้ปราปากฏในนิวิตเสมอแก้ไห้ตกปอกไม่ได้แก้ไม่หายเจ้าของบาลีหลวงพ่อช่วยสพ่อสัน้ำเกิเจะขาดตัดจวนที่ขมน่รากงิไมครับเระเราไม่รู้ก่นถ้าทายดีก็คุกเิ้ลเกีนยวนั่งรถได้วย โอ้เรื่องจะเมือกันโอไม่หลักหลักใช่เราไป่าจตถึงมัไปอแต่ถ้ารู้แจ้งจะไม่รู้ไม่ได้เลนไหมได้อ้าวนี่พราว่าก็หนักกรดุลเลยเหรอทำไก็แจ้งไงันมะนทำไมไม่ได้อจะได้มีลูกสี่เจามากอุ่นจะพูก็เพิ่งตาเดียวไม่แมวหลายตัวสี่ล้านกว่าได้สี่ย่าหมุนแน่ ใจโลภมากหลวงพ่อเจ้าขคือว่าอี่ท่านอ่ะได้มีโอกาสไปบวชลูกชายก็เรียกว่าใจอันิสงสงสัยยิ่งใจแต่ว่าที่ตอนการคืนไหว้พระเสร็จนั่นเจริญพระสมาธิจัรมัฐานตอนลงไฟปรากฏว่ามันมีความรู้สึกว่าชาไปตั้งตัวทางตรงโน้นชาตรงนี้แล้วยิ่งไปตอนนั้ภาวนาทุกโชคาภานที่หวงพ่อท่านก็ไม่ยอมรักเกลียวต่อราติดมีผู้ชายครับร่างใหญ่ไม่ยืน ลูกทำยังไงก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้จึงขอพลัมีหลบก็ช่วยที่แนะและแก้ไขด้วยเติมเจยวขาคู่ดี้ลูกคู่เต็มเลยเพราะปหาเขาได้ว่ารายการนี้ได้ผลไม่หน้าพอใจเลยนะาร่างใหญ่คือกาเรียนรา้เช่นการถือหัวน้าทีนั้นอย่างนี้ก็ไม่ตอแก่แล้วล่ะควรควรนะอนุรากษ์เอาไว้ ตาหลวงพ่อแถวคุณที่เขาเลาะจังโถออกในรถเองนี่แต่ถึงคุนาดนี้ที่เขาเรียกคุณเลยนะเรียกหลวงพ่อ้ลวงพ่อเุณวันนี้เรื่องนี้มอรม่ว่าแค่เดือนละสองรังก็เสื่ใจแล้วทุกอางเป็นเรื่องตายที่เจ้าคุณเศร้าใจไม่ดีใจหรอกครับไม่ดีใจทำไมเศร้าใจหกวต่อครับโอ้ใช่ การสมาทานหลบข้อที่กระล่ิงลูกได้นั่งกักรรมานที่นี่วงเล็กซอยปลายลมตอนที่จิตก็รูปเข้าสู่ระวังลูกจะเห็นมีมือมือหนึ่งลักษณะขอเป็นมือผู้ชายใหญ่โตกว่าธรรมดามากรู้สึกว่าแคอะไรรู้สึกว่าเป็นมือของท่านผู้มีอายุแล้ว แม่เอาเหรียญ5้าบาทอันหนึ hmm. mm ่งมาใส่ในมือของลูกแล้วบอกว่าให้เอาไปซื้อต่อบครัวแค่นี้ริงหลูกพ่อก็ดังขึ้นทันทีไ่ได้ไม่ได้หรือว่าจะตอกมาใหญ่ตอกห้าสิ่โม่ม่โม่ประธานหมวดครับหลวงพ่อหงวดไหนวี่ไหนแล้วไม่ได้หรอกโอ้โหนะอย่างนี้เป็นมงินใหญ่นะอย่างนี้เงินใหญ่เลยก็ ไปก็ลาบ้าหลวงพ่อที่เขาส่งแต่ว่ผมไม่อยากจะถามเรื่องคนเป็นคนตายแต่ว่าที่ความียเป็นจริงๆว่าบางครั้งหลวงพ่อทต่ส่งมปแล้วบางลายก็มาเข้าฝันว่ารักลายบางรายก็ว่ารักไม่ได้ เ่อรับได้ไม่ด้ที่เี่ยวด้วยเผลอะไรขอรับเอางี้นะเาจก็เลยก็คือวเนี่ยเาทำบุญแล้วที่โสดโสไปบางคนบางเข้าวัดตัวรับได้แล้วสุณลุงนะบางคนก็ให้ไปแล้วไม่ให้ต่อไต่อทท่านทุนนรับได้หรือรับไม่ได้ที่เกี่ยวด้วยเหตุอะไรขอรับ ไมันก็ไม่ผ่านคนรักกันก็รักกันก็ไม่ได้โอ้ยุ่อนี้ต้องมาสถานกว่านะใชที่ยาก็รู้เรื่องนี้แล้วนะใช่สาดเขาก็เฉพาะก็สาววันี้ที่เขาฝึกเราไะยุคจะมีประโยชน์มาชีวะเขาคืทุกวันอาชีวะคนใดเอ้าแลวงพ่อมาอยู่วัดแล้ว็มีกูตาตุกได้หรือครับทำไม อ่าเพราะแบบวาตัวาอาจารยอยู่แกไดู้ดูว่าจะมีคู่ใู่ว่าจามก่มาตรฐานเลยโอ้ยอย่ก็บายเลนะไแค่วันไปเมื่อไร็ด้ทันทีนะไม่ได้อ่ะอนนีก็ดูได้ก็ไม่ได้ไปหน้าได้จะไปทไม่ได้เวลาหลับคุณจะได้ตรงนั้นไอ้อให้ติดตกับพาตรงเลยอ เวลาหลักห้ามคุยห้ามสูดความเยี่ยาหารโอ้ขาปัญนาเขาได้ได้ให้การได้เฮ้ยเมื่อแล้วหลับแล้วจะตะวางไม่ได้ข้างกดนนอนสิโอ้โหที่รับแม้ทางหลับเลยนะวัดไม่แน่จริงๆนะว่าปัาแต่ก็ไปทาว่าถ้าเมียวแต่แต่ว่าท้าสึงก็ไม่เกินสามวัการฝึกนะ หลวงพ่อจะถามว่าลูกเคยฆ่าตั้างไปเพียงตั้งเดียวในชีวิตวันหนึ่งลูกไปซื้อปุ๋งมาทำมาหารแต่บพงเอิอเห็นมันดังฟังงาบฟังงาบอยู่ยังไม่ตายลูกก็เลยวางว่าจะเถิะให้มันตายไปเองสัตามหานกรรมนี่เมื่อละประการไปแล้วเกิดความรู้สึกว่าเออนีเราจะสิ itos, of of mond, ip, ้นขาดไหม แล้วก็จะมีทานขอสร้างก่อนยอพิษราด้างไปช่วยกระการได้ขอหลวงพ่อช่วยทรงทด้เถิดศกัาไุทที่ติดตามเรื่องที่มันไถามเข้ไนจริงนะเาไม่ไปถามโดยส่วนว่าทำไมเรย่องอะไรกันได้อภัยนาชอะเขาให้ทำแบบไหนปฏิบัตินี่ แม่แต่คนนั้นต้องต้องต้องคนตกถึงจะรู้ยใช่้ว่าเวลาตายแล้วเของยู่ทนั้นแไม่ใช่อะไรกไม่ใช่ร้ได้แต่เขาจะเป็นยได้ไหมไมอถาดูาการเคลื่อนหวตายหรือมันหลัรเล่าีาอะไรหมต้องทาอะไรหมไ่ได้เราเดนงกิ่นเอาแม่จะวางว่ให้กินบ้างให้กินบ้าแยกแแตายไปเลย ผมจะว่าแม่ผู้เลวระวั้นะไม่อย่าลูกมันจะปล่อยเราแนบตาย<อ>ลูกอยากแจก้กการเบียนผามันพ่อว่าตลอดชีวิตที่ลูกอยู่กับสามีก็มีความรุนเร็กัยย น, นอยู่ตลอดหลังจากลูกได้มาเข้าภาคปฏิบัติสมาธิกรรมฐานโดยเฉพาะอย่า ง, ย, างยิ่งคือภาคปฏิบัติกับหลงพ่อแล้วไม่ทราบความเามีของลูกทำเป็ุ๊กตุกป่อ ค้ายๆกับว่าลูกจะหนีไปยุพากขาคนเดียวจะปล่อยแกแห้งหัวโตไง่ใช่ไงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วลูกก็ไปสามารถจะแก้ปัญหาได้เพราะลูกตั้งใจจะไป่ผพานจริงๆลูก็มีวิธีและคำแนะนำอย่างไรหรือไม่จะพาี่ได้หนึ่งหยู่เย็นเป็นต้นต่อไปไม่ใหรือว่าดะให้เยแล้วครับ ท, ท่านสู่ไม คุณ c จ้าคุณกอนเมื่อวานนีาพี่อะไรเราเป็นเฉยัยกี่ตอใจไมแก้ปัญหาได้หลายอย่างแล้นี่ตัวเมื่อวานน้างการจะทำเฉยโอ้ได้ตำลาเลยยิ่งก็เฉยนะแล้รถพ่อา ไม่ว่าพอพดเหตุใระยะใี่จิตของโลกออกนอกตูกออกทางไม่ค่อยจะดีเลยบางทีรู้สึกตัวว่าด่าตัวเองว่าไอ้จิตแล้วอีจิตทั่วมันก็ถูกอยู่ทั่วตู้หนึ่งแล้วมันก็ชั่วต่อไปอารมณ์ทั่วทั่วที่สูงขึ้นอย่างนี้หลวงก็มีกรรมฐานบทไถ่ที่จะแก้ไขได้หรือไม่เจ้าพระบอกแล้วมาตอนนีกรรมฐานมันต้นโอ้ที่มาไม่ทานกันโอ้ถามก็ถามมาทำไมไม่ทันกันแค่เรื่องจะถามถัม อย่านั้นไทที่เปนเจ้าของปัญหานี้ไปตู้เฟซนะที่มันเทกว่านี้นะเราตรงเฟกติดปัญหาเลยนะไหนจะไ้รู้งน้ายผบอกงรุกงง่างรุกคน่ายเลยแหละนะใช่แห่ที่รุ่งง่ายมีใจหายใจควาาสชาวบ้านเมืองก็ขายมูลค้าสิตรงก็ตอปีปีปก็ปีี่ผ้ามันรวยท่ายงันเพราะที่ขายฐานะคนรวยแต่ละไอ้ขายรุ่งง่าน นี่อะไรฮะใหญ่สุอสุี่อย่านี้หน้าเราดูนิทางบริษัทว่าพ้าดลงได้ทำางินร้อยบาทมันซือแจกร้อยบาทร้อยมาร้อยไปก็มีพระเจ้าหลงไม่ได้แล้วหลงไม่ได้ยอมแต่พขดได้เขาจะไหวเขาจะทานมาก็ได้สมพระพันแน่นอนถ้าให้คิดไปเขาได้สมนระงันแน่นอน โอเคอย่งนี้เลยใช่โอ้ไม่เ็นยัเดี๋ยวพ่อะแจกต่อไปครับเพื่อารเดินแบบตัวนะทันใจว่าต่อไปเป็นเนเล็กกว่านี้ไม่เห็นเนบัอจาจก็เป็นอันว่าหรือ่องฝากาเอาล็อกแก้วเก่ใหม่ๆอะไรที่เก็บไปที่บ้านก็เอามาแรกก็ได้ไมจุดไมหนนี้เดวใจดีก็ดอด้วไม่เคยลยฮ่า่าฮ่จเอาหน่อยไม่ติดบอกเลยระวังนะจ้า เราเก็เนี่ยจะทำระดับขึ้นหลังการทาข้าวนะครับทำธุรกิยใหญ่ที่เกิดขึ้นเราได้จรเลิกขาดเราอิจฉาตรงนี้ใหเดี๋ยว่าคนคูนี้เอาเอาเอาถึงแเาแก่ึไม่มีเียยัมีอยู่เพื่อควารักทำข้าวรกิใหญ่ขึ้นหลังนะครับใช่ใแล้วต่อไปก็ถือว่ากานข้าในภาพมาก วาวแ๋ยวละเอียดว่าโอ้่เดียวเราพูดถึงรายลอีาอแบบย่างี้ก็ต้อเออใครที่มาสมัครจะได้ก็เรียมตัไว้เลยฮะเรียกแห้ตอที่เอาทำข้าวอรอยใหม่แโอ้เมื่อไรก็ได้สิบบาทแค่ให้กีนกระติวอย่างนี้นะพอที่จะเป็นพันบาทนะพอที่ยกตรงแล้วก็แสนเจ็ด ใรรอยากได้ผมขอแน่นามว่าที่ตูหุ่ต่างกนิีวสาวผมใช่เลยด้วความเต็มใจจับภาพความคิดจับใจต้อนแก้แค้นไม่เอาไปจริงจริงแล้วพ่อเจ้าสาอ๋อหนูมีนายอยู่แฝงนี่ที่จังหวัดระยองลูกเคยบนพระศีองค์ไว้ยังไม่สมเด็จลูกที่าลุพ่อคนจะเก่งกว่าอาคจะลพ่อว่า ถ้าหากที่เรายอมนาลูกขายได้ลูกจะแบ่งให้หลวงพ่อหนึ่งเปอรเซ็นต์เยป็นหนกยาอะไรนี่จะเป็นอะไรแต่ว่าให้กล้าบนเขาเตมใจว่าหลวงพ่อเขาเลาอยากจะบนกรมหลวงจุนอแทนหลวงพ่อจะอนุญาตหรือเปล่าครับคนณท่านได้เป็นหนึ่งเปอรเซ็นต์ไม่ไดรับเลยครับเป็นรขายไม่ได้ โอ้ชาลับคุได้ไหมนะจริงก็ต้องพูเป็นห้าสิบหกสิบห้าสิบ้าสิบอ้ชาลักคเบาม่เบ เ, <c oughs> เราเรียกว่าอะรจงก็ไปทานน น, า, านะ <c oughs> นนอันายนะแหมท่เรียกแล้วมัเงียบราด้ปหมดเลยนะนย อ, อ, อุงพ่อจงทานอพิธีหลาน้องเขยนวใหญ่ครับคูนี้ก็ทานไะด้ ตอนที่ลูกปลูกบ้านปลูกนะปลูกส้วยตที่ลูกปลูกบ้านฮะปลูกปกกตที่ลูกปลูกบ้านใหม่ๆลูกได้อาราธนาเจอ้ายยกรอบเท้นของลุงปู่ปูกับพี่ลูงก็อทำแต่ว่าที่สาเองอาพ่อปลูกอาพ่อแต่เซ็ตร้อยก็ในในมิติเนี่ยไม่ใช่นาคึกใดก็คือว่าได้ความเห็นตุ่งเงินส่งทองอยู่ใกล้ๆกับหลุมเสาเอง เราจะมาโอ้โหใต็มพระเดชพอะคุที่อกดีใจไป็อยากมากเตชกาก็ผ่านไปจนกระทั่งปัจจุบันนี้กลับโกงเป็นร้างวางเป็นอยู่ฝื่นเกืองมีเหตุต้องเพราะบาดวานสมอและจนงจะทักกระีกระชุ่กระชิงปรากฏขึ้นบ่อยๆไม่ทราบว่าขณะนี้ยังเกอะเดชท่านยังจะอยู่หรือท่านจะเสือมไปฟังหรือเปล่าเจ้าพระบอกแล้วกเติพลังาตกไปด้วยเถิดจังหวะน่าจะตื ข้าที่เกี่ยวสะทัดถึงได้ดีข้าเราอยู่ใหม่ๆสองปีจะรุ่งเองข้าที่สามม n นแสดงพลังรถโอ้อยู่ตรงแสดงความพลังรถนี่บวงสวงตางสายเนี่ยเขาจะออกเคราใหญ่ทุกคนอยู่ตรงนมันพอพลังชักแล้วก็ต่างสายงสวงนี่บางทีแม่จะให้พระสงฆ์ รถที่บ้านโถผมมีหล่าจะเดนทางมีหรือคับมาลุกนกันไปิซิแต่หลวพ่อนายกระตันก็ตยอดลยไอสักพ่านมาละหมาที่ละช่องที่หน้าบ้านราทีบ้านมันไม่ยอมพี่บอกว่านี่เอาลาบมาให้โอ้เนี่ยเพือผูกพันตงนั้นสวยสยเลยนะครับเาแล้ไปแก้ไขนะป้าสารจะน้สูไดดีจะได้รวยใหญ่หลวงพ่อ ขอรักแม่ไม่สบายใจเกี่ยวเรื่องขา่ขาวข่าวผีแม่ใหม่มันเป็นผีแข่งนะอารวาสทํา้ไมกสารไม่พอใจเรี่ยวนี้มันก็นรเกรื่รอารวาสจอมเทวรักไัยในวัดอยุทยาข้าคนตายไปหลายคนชอบข้าอุทายคนที่ตายมักจะมี 100, 100, 100, 100, 100, ออรอยรอยบีดรอยอยู่เสมอปราสมัชการ์ลงพ่อมีทาแก้ไขแนะนําอยางไรสสารอุทอัทยขาวอเปผักไหและเกินขอรัก แม่ไม่เนี่ยที mm. ่แม่ไม่เพราะมันแสบเลยมันแสบเร็วสุดเลองพ่อพี่ก็บอกเขาเองครับไอ่ต้องไปแต่งอะไรเลยโอ้โหโอเคได้ก็ได้แต่จะดดเลยนะ่จะไม่หวปแม่แกยังพ่อแก่ได้ไอทไอทิมไอทิมมันเดือดร้อมันก็ไม่ยอมแต่งงาแกเลยโอออะแงจด้ยไม่ได้ดูเ ออนี oh. ああ่เถนารู้นเป็นน like ั <floor. S 2> ่ตาตาต่าอย่างนี้ก็ต้องคอยให้แล้วเล่นอ่านเล่เล่นติดที่แบบที่เขาให้ไตีที่ผ่าที่ตงเจ็ดแสได้นติดกันเลยนะจต้องมีอะไรจะแปลออกมารยนั้นถ่าเราชอบเรารักอ๋ออาเยอะแล้วกันคือว่าลูกขอรบกวนิดเดียวคือว่าแต่งงานกันมาหลายปีเนี่ยมันไม่อยากมีลูก้อตี ก็อยากจะมาพิ่บรรมีหลวงพ่อว่ามีทางแนะนำอย่างไรหรือไม่ได้ทายก็คนก็จะดีจะได้ช่วยสืบพุทธศาสนาเอาล่ะเอาน้ำฝนไหวเลยก็ไหวด้วยวิธีแหละไม่รู้มันมี การดูเรื่องโอ้เป็นคยแต่งงานเรื่องชีวรามีรู้นะไม่ได้น้าหลังนั้นหลวงก่อที่จะลบจากสรงอ่คือเพื่อนของลูกประหลาดมากเวลาจะทวนแกมาทำบุญกับหลวงพ่อสิไรแกจะต้องลบป่วยบางทีหมดแรงบางทีก็ มีความรู้สึกหายไปขึ้นตัวทุกทีพอเลิกตัวแกไม่เป็นพอตัวอีกว่าหลวงพ่อมาสอนแสลมนะไปด้วยกันนะแกก็มีอาการอย่างนี้ไม่ทราบว่าแกมีเป็นเวรเป็นกรรมอะไรหรือมีอะไรไปเข้าถึงเข้าตรงถึงนีเนี่ยเขาให้แกไปจัดดีขอหลวงพ่อช่วยจัดการให้ด้วยเถิดเจ้าป่ะมันเรื่ว่าะไรผมแฟลกที่นี่ไอแหม่สิอย่างไงเอ๊ะแหม่ฮะต้อเวลาตัวนีอยังนี่ต้องเวลา คุณวิชาคุณทิชาชายาคุณยศอยู่วัดปากกว่าเออนี่ปากอเงินสีเลยโอ้บ้าบ้านี่ก็ไปถัมว่าเอ่อพระรู้กคุณวิชาไหมวัดปากกองาสาเาน่ะที่คูณตาเก่งของมันแต่คุณเจ๊คือพ่อเนี่ยไอ้พี่กอล่ะตโอแม่อ้เจ๊มันอยู่เลยมันอยู่ตรงนี้ปยังทาง่าญาหนปาตาโอดแม่เลยว่ากช้าหลวงพ่อที่เลาะกัสง ถ้าแต่แตลูกมากราบหลวงพ่อที่ซอยสายลมถ้ารู้สึกมันก็รู้สึกว่าโชกดีได้มีโอกาสสวดคาถ า, าสมบูรณ์เรื่อยๆทําให้ชีวิตจิตใจสุขกายสบายดีแล้วก็ลูกก็ตั้งคิดด้วยว่าตายเมื่อไหร่เพราะไป น, นิพพานชาตินี้แต่เมื่อสองสาวันที่ผ่านมานี้ไม่ทราบว่าอย่างไรใจมันช้างอยากเดียวว่าสภาวะนิพพานไม่มีนิพพานบ้าง น, นิพพานตูน จิเจ็ดหนึ่งบอกว่าอ้าวหลวงพ่อว่าพี่เออไอ้เข้ามารมาโนใจว่าไม่มีเสียงก็ไปเสียงก็มาลูกไปสามารถจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ออนี่มันหลวงพ่อช่วยเฉพาะลูกช่วยเธอหนี่แอบแยเด่นจุดเด่อวานไม่จรินะวานลครับตัวไม่ทาอะไรก็มีารจิตอชี้ให้การหัวต้องหัวตัวอะหรอโอ้ยนี่หายแม่เลยครับเอา อิเล็กตรานนะนักปฏิบัติภาษาตัวบานก็ต้อง่านโอ้ทีนี้ถ้าปล่อยไปนานๆก็คงจะหายไปอย่งนี้หลงข้าวที่กรอบอยางสูงลูกมีเรื่องที่จะบนตับหวงพ่อตาต่อไปให้เรืองหัวหูไป่ต้มใสีเจ็ดชั้นไก่ต้ม ว่าจะมีก้นวงสงวยหลายอย่างแต like <sk az identified rebell ious> ่ยังไม่รู้จะวงสงวยเรื่องอะไรดีดีขึ้นวงสงวยได้วงสงวยเพราะยังไม่รู้สงวยเรื่องอะไรดียึดกลางกับผู้ลูกหน้านะเ้าโ ไหนเหรอโอ้แต่เรียว่าเลรู้จได้ดั้ค่มเห็นผลที่จะยืนพอเ็นงกรกับพือที่าาเนี่ยสมัยก่อนยัง้ขายนะพอราเป็นาก็ปล่อยไปก่อน็างท้งขายเป็นจ้าเรนี่โดนหมูีเลยันนี้บอกว่าไปถึบ้าจะาชีพตั้งได้ นี่ว่าไม่มีด้านหน้าควรจะนอนตอหลังก็ติดการอนุญาตเลยไม่เคยนั่งผ่านๆว่าคุว่าจะตั้งไหนดีอะรอย่นี้คก็เลยรอคนนอนนั่นก็เลยตะไรตั้งคนนอนแล้วพี่พ่อผมเช็คคนนี้นะแล้วสายใหญ่ได้มาคุณก็เอาเรื่องว่าคุณจะคนนอนได้หรือไม่ตัวนี้ก็ตัดนี่ว่านั่เยืนบ้าใหญ่บ้าใหญ่ เวรามาี่แต่ละนนั้นเกิดมาแค่หมอเั้นแตท่านลูกมันยังดีสาธานี่ยงที่มมานี่ที่มออที่เปก็ต้องกลับไปสร้างขสูารองกใหมถ้อยู่ที่เาันก็จะปลูกย้ายมันจ่หัวที่ดอนเลยคือจะมีโอกาสว่าพอตมควว่าคุณได้แต่ปกจเป็นังี้ได้โอ้แล้วถ้าเป็นระอย่างเกิดตูง เพื่อนบอกลกนักสูาสนาเอกแกได้มีโอกาสมาลอยสายลมแกก็แปลกใจว่าเอ๊ะที่ลอยสายลมนี้มีการถวายบัตกานเอะมีพระพุทธรูปแกก็ใจแกบอกว่าแกอยากจะไหว้พระแกกลัวไปเย็นูจบว่าลูกอยากจะให้หลวงพ่อไปจิตต่อเขาไปเยนูขออนุญาตไหว้พระหลวงพ่อแค่ครั้งหนึ่งโบก็สด้เพที่ต่อมาน้นแล้วอนุญาต ไม่ตอไปจะเลยนะวิจารเอเยกะฮาไดเหรอครับวิจารณ์ก็เอเยตูนี้จำแตกตอนสองพันสยเกสิบเอ็เพราะขอละลายสเล้าประกอบดูว่าคีนั้นเหนไปเที่ยวกัน้องแฝดคุณไม่ไน้ตัดน้ำใหญ่เลยนะราบไปใกล้กันนี่ใกล้ใกล้ันเมือน บาดหลงขึ <c oughs> ้นมาในทะเลที่จักกันยคเทวะก็เลยคุยดิสนาทีกเขาคุณไปคุณมาก็ถามว่าท่านนักสืพะเจ้ามีอยู่คือคนอะไรไมเห็นตัวไหมาะฉะนั้นเที่คุยได้ก็ถามก็บอกว่าถ้าคุณถือพระเยซูเลยมันไเห็นตัวไหมเพราะไม่เเห็นไอ้ไอ้คนงงๆแบบนี้คุด้วยเากันไม่นานกันหรอโอออกประกอบเยองะให้ได้ชั พอ้ากลับมาถึงบ้านพักท่านอยก็จะลับใช่ไหมพระันดร์มีคนก็วันนีมีเดดาอย่างดิผุนทางอรอย่างเงี้ยระท่านใสงเยักแต่แต่งตัวแบบหลับเหลือวดาแต่งแลแบบนี้มีแล้วถ้าครบกว่าไนมาแบบนี้ท่านจะเป็นพรเลยนูกเดวดาครับสวยมา แล้นใช่ไหแล้วตอบไปแล้วตอไปลยถามว่าคุณนสอนจิตแล้วทาไมไม่ทั้นได้ไอ้คุณสอนแต่นี่ไม่ได้เลยหรอกะตการล้างบาปการถ่ายบาปมันมีได้ทีไหนก็คงเป็นไม่ได้บอกอย่างนั้นนี่ยคราะว่าอ้การฆาบาปนั่จะไม่ทบาปตอไปมันมันว่างก็ขอสูกนแต่เดิมใะ โอ้ยโอ้ยใหะ่โ huh. อ <tim us throat> uh ้ยใช้ต so ังเงินไรโอ้ยเดียวนี้ไะโก้เพื่อให้เย์ูไม่ยอมเยเปอบเลยนะชอบอ้ยเปย์ตูจไป่านแน่ตลนาูไปกอ้ถงได้ามวา้าเวลาต่อไปถ้าย่างยาตอกก็จะไติดเจยสัดกรุกต่อไปใช เขาต้องเขาพุ่ต้มดีนะเขาทาดีจริงๆคำสอนด้ยแล้วคนงานคนงานตั้งใจของเขาเป็นเกียรติภเขายกวิาการสอนเขาดีจริงถูกิจลาศเขาสอนได้ถึงตงแต่ความรู้เขาไม่ถึงก้าไกแต่ว่าการที่มนสอในเวลานี้ดัดแปลงขปมากก็สมมติ บระษักว่าเราได้ผานหน้าพุทธศาสนาก็ไหวเขาเยโคก็จะไม่ได้ไรนะไม่ไ้อยาให้ท่านพอสอนว่ามีูุขสงบโอ้ไดใสงบไหมได้ใจสเออได้ความรู้ใหม่นะตกลงพ็ไเยโรก็เป็นบริษัทเด่นๆนะต่างก็ไมีเยอะโอ้อ้แต่กุเยอะพว่ยกใจผู้ร่วมหลนกก แต่ที่หลังนะหลวงพ่อมี่ยวายขึ้นไปก็ถามพระเยเลยว่าเออแม่ที่มึงซูรยโกะพระเใค่ทาย่อไป่วง่ยาอะไรหารงมมาอะไรอะอะไรเสร็จแล้วกเข้าก็ไปทางว่าผมเห็นเป็นที่ปใจยากสุดโอที่คนเขาักเล อทีนี้ตอนจบรายการก็ประกาศให้เร็วว่าทางที่ย้อนกงได้บอกว่าจะสร้งกองคุมืันแรกเปลี่ยนนั่นแหะบัตรนี้ก็มีแล้วเป็นเงินหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทเป็นแบงวัลเนีบาทนะส่วนเหรียญนั้นได้ทั้งหมดสองพันห้าร้อยบาท รวมเป็นเงรุนสามพันสิส่วนพระสมณบุตรทั้งหลายพิจารณาฐานะร่างกายตัวเองเป็นบริวารโสโครกใตเดสตรีวงมีอันท็จะก่อแทกสลายถูถหายกระจายไปในทิศตกเป็นนิจจากศุขทั้งนัตตาตองรู้แต่จิตท่ประมาในกายเป็นกายทมีแต่ความขาวสะอาดสวางสวายเป็นประกายฤท ร่างการจิตใจน้อมดึงดูดเป็นสาวองค์สเด็จ้อมาต้มิจิต้าในริพานส่วนพระทีไปไม่ได้ก็ได้โปรดาพระพุทธกตนเองก็่าราถอลัตาากราตีโอพินสีสมมาหลพุทธเจ้าทพระองค์ราปัจเจรุทธเจ้าทุตพระองค์าแล้วก็อริยทัหลายลงเโดาทั้งหมดมีดาวดาสุบาจาย ขอทานข้าของหลวงพอให้มีวรันาวมายแก่แรงของนูนในอันที่จะช่วยเหลือประเทศไทยพระเพื่อศาสนาลูกหลานเราจะปฏิบัติตอนหลังจะช่วยหน้าตั้นโมสามจบโทอิทธิปิโตสามจบเพ่งไปที่องค์หลวงพ่อนั่งการระบัตนี้นโมท้า